พระวินัยปิดกจุรวัตภาคหนึ่งขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอ้อน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งกรรมะขันธกะหนึ่งตัชนียกรรม เรื่องภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะ ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสง์ด้วยตนเองและพากันเข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสง์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนั้น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 ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขยายลูกลามออกไปบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังไฝ่การศึกษาตําหนิประนามโทรทนาว่าชะไหนพวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะจึงก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาท